ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีแล้วนะอยากจะได้เครื่องใหม่อยากจะได้ผ้าเสื้อผ้าตัวใหม่อยากจะได้รถคันใหม่แล้วชีวิตเราเนี่ยแสวงหาสิ่งใหม่ๆอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยคําถามคือว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นมันให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงหรือเปล่าเพราะถ้าให้ความสุขกับเรอย่างแท้จริงมันก็ต้องหยุด มันก็ต้องนิ่งแต่ปัญหาคือว่าคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะหยุดได้ไม่สามารถที่จะนิ่งได้เพราะว่าลึกๆเราก็รู้ว่ามันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงคอสังเกตไหมฮะสังเกตไหมฮะว่าสิ่งที่เราความสุขนะเรามีเรามีสิ่งใดเรามีสิ่งอะไรก็ตามเนี่ยจะมีมากแค่ไหนก็ตามเนี่ย เช่นเงินเช่นเสื้อผ้ารองเท้าหรือแม้แต่รถมีมากเท่าไหร่เนี่ยมันไม่ทำให้เรามีความสุขได้เท่ากับการได้ของใหม่มามีเงินแสนมีเงินล้านก็ไม่ทำให้เรามีความสุขได้เท่ากับได้มา อีกแสนหนึ่งนะมีเสือ้อรองเท้าร้อยคู่ก็ไม่ทำให้เรามีความสุขได้เท่ากับได้คู่ใหม่มาอีกหนึ่งคู่นะรู้สึกอย่างนี้บ้างหรือเปล่านะอัตมาเนี่ยไปบินทบาตนะที่ภัยสารนี่เขาก็ชาวบ้านก็ให้คขาเหนียวนะมีวันหนึ่งเนี่ยก็ มีก็มีหมาตัวหนึ่งมันตามมาต่อมาก็โยนข้าเหนียวให้ก้อนหนึ่งให้กรำมือหนึ่งนะหมาเนี่ก็เข้าไปงับมันไม่ทันจะเคี้ยวหละต่อมาโยนไปอีกก้อนหนึ่งมันทําไงทราบไหมฮะมันทิ้งก้อนเก่ามันแล้วมันไปคาบก้อนใหม่ทางทั้งที่ก็สองก้อนก็เหมือนกันแต่ทั้งๆ ท, ที่ก้อนเก่ายังไม่ทันจะกินเลยมันก็ทิ้งแล้ะ ที่แร ก, ก็หัวล้อยย่อมันว่ามันช่างโง่เหลือเกินนะในเมื่อสองก้อนนั้นก็ก็เหมือนกันแหละแต่มันนึกดวเอ้เราก็เป็นอย่างนี้หรือเปล่านะเวลาเราได้อะไรมาเนี่ยไอของที่เรามีเนี่ยมันไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีสเสน่ห์ไม่จูงใจเรามากเท่ากับของที่เราได้มาใหม่นะอาตมาเป็นคนชอบชอบหนังสือนะ มีหนังสือเป็น <c oughs> เป็นร้อยเป็นพันเล่มแต่พอได้เล่มใหม่มาทีไรก็เออมีความสุขทุกทีคนเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าความสุขเราไม่ได้ความเราไม่ได้สุขเพราะมีนะฮะแต่ส่วนใหญ่เราสุขเพราะได้มีเท่าไหร่ไม่สาคัญเท่ากับว่าได้มาใหม่หรือเปล่านะปัญหาตรงนี้ลังคนเราว่าในเมื่อเราเนี่ยไม่มีความสุข จากการที่มีแต่เราเอาความสูงขงเราไปฝากไว้กับเวลาได้อะไรใหม่ๆเราก็เลยไม่มีความสุขสทักงทีเพราะว่าเราต้องหา ข, ของใหม่มาอยู่เรื่อยคงอันนี้เป็นพ่ออันนี้หรือเปล่าทำไมเราถึงไม่ถึงอยากจะมีแฟนคนใหม่อยู่เรื่อยนะไม่ว่าเราจะได้แฟนที่หล่อหรือสวยยังไงก็ตามเนี่ยนะแต่สุดท้ายเราก็รู้สึกว่าแฟนคนอื่นสวยกว่าแฟนเรา หรือแฟนคนอื่นหลอกกว่าแฟนเราเป็นงนี้หรือเปล่าฮะอาหารที่คนอื่นสั่งนะมันอร่อยมันน่าอร่อยกว่าอาหารที่เราที่เรากำลังกินอยู่นะเชื่อคงต้องถามนะว่าเราเป็นอย่างนี้กันหรือเปล่านะฮะสิ่งที่เรามีเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยไม่ค่อยพอใจมากเท่ากับสิ่งที่เราได้มาใหม่ นะและถ้าเราเอาความสุขของเราไปฝากไว้กับวัตถุสิ่งเสพหรือของที่ได้มาใหม่ๆอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่มีวันสุขสักทีนะเพราะมันก็ต้องดิ้นรนอยู่เรื่อยและที่หน้าที่หน้าที่มันหน้าคิดยิ่งนนะคือว่าของที่เราได้มาเนี่ยได้มาใหม่อย่างเดียวไม่พอนะฮะต้องได้มากกว่าคนอื่นด้วย ถ้าได้น้อยคนอื่นนี่ไม่มีความสุขแล้วสมมุตินะฮะว่าเราได้เลื่อนเราได้เราได้โบนัสไม่ทราบว่านนกมรมทรัพย์กรณการอาจจะไม่ถ้าเป็นธุรกิจเอกชนเนี่ยสมมุติว่าเรานะสิ้นปีเราได้โบนัสน ะ, ะสองเดือนน ะ, ะดีใจไหมฮะได้สองเดือน แต่พอเรารู้มาว่าเพื่อเรามันได้สามเดือนรู้สึกงไงคนส่วนใหญ่บอกว่ารู้สึกแย่ไปเลยเหมือนกับชาวบ้านเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยเอาอผ้าขมไปแจกชาวบ้านบ้านละผืนบ้านละผืนชาวบ้านดีใจนะฮะแต่พอรู้ว่าอีกบ้านนึงเขาได้สองผืนนี่ที่ยิ้มยิ้มนี่หุบเลยความรู้สึกแย่ลง แย่กว่าตอนที่ยังไม่ได้พ้าห่มอีกให้มันน่ า, นาคิดนะคนเราถ้าได้พ้าห่มฟรีๆมาผืนหนึ่งน่าจะมีความสุขมากกว่าตอนที่ไม่ได้แต่คนจน น, น้อยๆเลยเนี่ยมีความทุกข์ยิ่งกว่าตอนที่ยังไม่ได้พา้าห่มเมื่อรู้ว่าคนหนึ่งเขาได้สองแต่เราได้หนึ่งอันนี้ไม่ใช่เป็นปัญหาเฉพาะคนชนตนะ่างบุรณะคนในเมืองก็เป็นอย่างที่อาตมายุตัวอย่างนะได้นะ ได้โบนะัสสองเดือนน่าจะมีความสุขมากกว่าตอนที่ไม่ได้แต่ทันทีที่รู้ว่าคนอื่นเขาได้มากกว่าเนี่ยเรารู้สึกแย่เลยทำไมฮะเพราะลึกๆเนี่ยเราต้องการเราเราได้อย่างเดียวไม่พอเราต้องได้มากกว่าคนอื่นด้วยและตรงนี้แหละมันคือที่มาของความทุกข์ของคนในยุคปัจจุบันนะไม่ว่าเราจะมีมากเท่าไหร่ เราก็ไม่มีความสุขสักทีเพราะว่าเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นและยิ่งเปรียบแล้วไม่ว่าจะเปรียบเทียบแค่ไหนก็ตามเราก็จะพบว่าในที่สุดเรามีน้อยกว่าคนอื่นอยู่เสมอมีนักธุรกิจคนหนึ่งนะฮะช่วงเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยธนะุรกิจของทางบ้านที่ทำการก่อสร้างเนี่ยเรียกว่า เป็นหนี้หลายพันล้านเพราะค่างเงินบาทมันตกคุณพ่อก็ชวนเรียกขอยนักธุรกิจคนนี้เนี่ยมามาคุมกิจาการของบริษัทหลังปีสี่ศูนย์และภายในเวลาสามปีนะฮะสามารถที่จะปลดหนี้ได้สามปีต่อมาก็มีกำไรมากขึ้นจนกงทั่งสินทรัพย์ของบริษัทนี้มีประมาณหมื่นสองพันล้าน นี่มาปีสี่หกนะฮะน่าจะมีความสุขนะฮะจากคนซึ่งจากคนซึ่งทาต้องบริหารธุรกิจที่ติดลบนะคือแค่ปลดหนี้ภายในเวลาสามปีได้เนี่ยเงินหนุนหนีหลายพันล้านเนี่ยน่าจะมีความสุขเพราะเหมือนกับหลุดจากนรกและมีนํำซ้ำอีกสามปีก็ได้ทรัพย์สินทรัพย์เพิ่มมาเป็นหมื่นล้าน แต่ว่ามีว hey. ันหนึ่งนักธุรกิจท่านนี้ก็รู้สึกว่าชีว so ิตฉันมันไม่มีความสุขเลยแกบอกเงียว่าผมมันก็แค่เศรษฐีหมื่นล้านคนหนึ่งเท่านั้นแหละเพราะว่าในเมืองไทยมันเศรษฐีหมื่นล้านนี่มีต้องห้าหกร้อยคนไม่มีความสุขนะขนาดเป็นเศรษฐีหมื่นล้านแล้วประสบการณ์สเร็จในชีวิตนะก็เลย ทำยังไงก็เลยได้ลนไปเป็นนักการเมืองตอนนี้ยังเป็นรัฐมนตรีอยู่เป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงหนึ่งแต่มัเป็อุทาหรณนะว่าคนเราเนี่ยนะถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ระวังให้ดีเนี่ยเราก็จะไปหลงคิดว่าการได้มามากๆเนี่ยจะทำให้เรามีความสุขแต่สุดท้ายมันก็ไม่มีความสุขสักทีเพราะ การที่เราคอยไปเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นและไม่ไม่ค่อยเปรียบเทียบกับคนที่เขาแย่กว่าเรานะแต่ชอบไปเปรียบเทียบคนที่เขามีมากกว่าเราก็เลยไม่พอใจอันนี้และคือล่าก ง, งาของความทุกข์ของคนในยุคปัจจุบันในยุคซึ่งพรั่งพร้อมด้วยวัตถุบริบูรณ์ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกนะแต่ว่าไม่มีความสุข สุขเพราะไม่มีความสุขเพราะอยากจะได้มากกว่าคนอื่นไม่มีความสุขเพราะอยากจะได้ของใหม่อยู่เรื่อยๆนะไม่มีความสุขเพราะคอยห่วงกังวลสิ่งที่สิ่งที่เรามีอยู่ว่ามันจะสูญเสียไปและไม่ว่าจะห่วงกังวลอย่างไรถึงที่สุดมันก็ต้องสูญเสียไปอยู่วันยังค่ำเพราะว่าความพักร้าความสูญเสียเป็นธรรมดาของชีวิต แต่ว่าคนเราไม่ค่อยไม่ค่อยตระหนักตรงนี้นะอันเนี้ยคือปัญหาคือว่าคนเราเนี่ยจะมีความสุขได้เนี่ยมันต้องจัดความสัมพันธ์ของเราเนี่ยกับวัตถุเสียใหม่นะว่าเราเนี่ยจะฝากความสุขของเราฝากชีวิตของเราเนี่ยวักับวัตถุมากแค่ไหนคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยคิดว่าถ้ามีเงินแล้วจะมีความสุขและยิ่งมีมากก็จะมีความสุข แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันมันไม่ใช่เช่นนั้นเสมอไปหรืออาจจะแยกกันานะั้คือว่าทุกเมื่อสักสองปีก่อนเนี่ยมีมีพ่อค้าเลขคนหนึ่งนะฮะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งได้ยี่สิบล้านบาทนะใครเวลานี้ในเมืองไทยก็อยากถูกหวยความฝันคือว่าอยากจะได้ลอตเตอรี่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง แล้วคนนี้เนี่ยเขาก็สมหวังนะไม่ใช่แค่ได้สีห้าล้านยนะี่สิบล้านทีเดียวทั้งสุดพิมพ์ไทยแลก็พาดหัวตัวไม้น้านหนึ่งนะแต่ว่าอีกหนึ่งเดือนต่อมาไทยัลกภพพหัวอีกว่าพ่อค้าหรือเศรษฐีคนนี้เนี่ยกินยาพิฆาตตัวตายแต่ว่าไม่ตายจริงนะเพราะว่าลูกสาวเนี่ย ช่วยไว้ได้ทันลัางท้องเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐีเศรษฐีใหม่คนนี้นะแกก็บอกว่านางนงสิบพิมก็ไปสัมภาษณ์แกก็บอกว่านะเมื่อถูกหวย2ี่สบล้านเนี่ยถู ร, รัตเตอรยี่ิบล้านเนี่ยนะก็บอกว่าชีวิตนี้ไม่มีความสุขเลยนะ ท, ทั้งทั้งที่ ก็เตรียมไว้แล้วนะว่าเงินเนี่ยจะแบ่งให้ใครบ้างให้ลูกคนละล้านมีลูกสาวสามคนสามล้านนะซื้อบ้านสองล้านนะแล้วก็เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ทำทุนเข้าธนาคารสิบล้านอีกห้าล้านเอาไว้สำหรับแจกนะสำหรับแจกนะฮะแต่บางคนโอโหมีคนมาขอนี่เยอะแยะไปหมดนะให้พัน ก็อยากได้หมืน่นไม่พอใจให้หมืน่นก็ไม่พอใจเพราอยากได้แสนแทนที่จะมีมิตรกลับมีศัตรูมากขึ้นจนกระทั่งมีคนหนึ่งก็โทรมาขู่ว่าจะฆ่าเขากับเมียเขาเครียดมากเลยเครียดมากก็เลยบอกว่าไม่อยู่แล้วกินยาค่ากินยาฆ่าตัวตายนะแต่ลูกสาวช่วยไว้ได้ทันเสียที่หนคนนี้เนี่ยแกเป็นพ่อค้าเล่ะ ซึ่งเคยลำบากเมื่อนังสือไปนังสือพิมพ์ไปสัมภาษณ์แกแกก็บอกว่าแกพูดมาประโยชน์บอกว่าเนี่ยตอนเป็นพ่อค้าเร่หาเชากินข้ามเนี่ยมีความสุขกว่าเป็นไหนไหนอสิ่งที่แกพูดนี่มันเป็นมันเป็นสัจวาจาเลยนะคือความสุขของคนเราเนี่ยมไม่ได้อยู่ที่เงิ น, นบางทีมี มีไม่มากนะก็มีความสุขแต่ว่าคนเราเนี่ยกว่าจะรู้กว่าจะเข้าใจสัจธรรมอันนี้เนี่ยก็ต่อเมื่อนะก็ต่อเมื่อได้มีมากมายแล้วถึงจะพบความจริงว่าไอ้มีมากมากเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะทำให้เป็นสุขได้อาจจะแย่ยิ่งกว่าตอนที่ไม่มีเสอีก พูดอย่างนี้นี่ไม่ได้หมายความว่าการมีเงินมากๆไม่ดีนะฮะพระเจ้าก็ไม่ปฏิเสธนะการที่คนเราจะเป็นจะเป็นเศรษฐีแต่อยู่ที่ว่าเราเกี่ยวข้องกับวัตถุสิ่งเสพนั้นอย่างไรนะเราเห็นคุณและโทษของมันแค่มากน้อยแค่ไหน ปัญหาคุณปัจจุบันก็คือว่าไม่ได้เห็นเห็นโทษของวัตถุสิ่งเเสพหรือว่าลาบยศอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงเราคิดว่ามันประเสริฐที่สุดดีที่สุดนะแล้วเราก็เลยคิดว่า ย, ยิ่งมีมากมากยิ่งดีแต่เราไม่ได้มองเห็นอีกด้านหนึ่งว่ามันมีความทุกข์มันมีมันมีมันเป็นภาระให้แก่เราอยู่นะแล้วก็ถึงที่สุดแล้วมันก็ไม่ใช่เป็น ตัวความสุขอย่างแท้จริงผู้เจ้าตรัสว่าวัตถุความสุขเนี่ยนะเกิดจากการใช้ทรัพย์อย่างถูกต้องความสุขเกิดจากการไม่มีหนี้นะและความสุขเกิดจากการที่ไม่เป็นทาสของวัตถุวัตถุจะมีประโยชน์แต่เมื่อใดก็ตามที่เรากลายเป็นทาสของมันไปยึดติด มันก็กลายเป็นอันตรายกับเราขึ้นมาทันทีถ้าพูดอย่างภาษามชยใหมไม่มก็คือว่าเงินหรือวัตถุสิ่งอำนวยความสะดวกสบายเนี่ยมันเป็นเป็นค่ารับใช้ที่ดีแต่เป็นนายที่เลวแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยแยกไม่ถูกแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเมื่อไม่เข้าใจความเป็นยรคงคนนี้ก็เลยยอมตนกลายเป็นทาสของวัตถุชีวิตนี้ มนะุ่งหมายอย่างเดียวก็คือว่าทำไงถึงจะรวยนะอันนี้แหละคือการเป็นทาสของวัตถนะุเพราะว่าเราไม่ได้ใช้วัตถุหรือเงินเนี่ยมารับใช้เราละแต่ว่าเรากลายเป็นทาสของมันเราใช้ชีวิตซึ่งมีค่าเอาเวลาที่มีค่าของเรา รวมทั้งอาจจะใช้มิตรภาพที่มีค่าเนี่ยไปเพื่อสิ่งเดียวก็คือเพื่อแสวงหาและครอบครองวัตถุตรงนี้แหละที่มันทำให้เรากลายเป็นทาสของวัตถุในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะวัตถุนั้นมีเป็นสิ่งดีตราบใดที่มันช่วยทำให้เราดำเนินชีวิตที่ดีงามและถูกต้อง หรือเป็นเครื่องมือในการที่จะให้เราได้ทําความดีได้สร้างบุญสร้างกุศลหรือว่าใช้วัตถุนั้นเพื่อที่จะพัฒนาชีวิตจิตใจให้เจริญงอกงามแต่ถ้าหากว่าเราทําทุกอย่างเพื่อวัตถุโดยไม่สนใจคุณธรรมความดีไม่สนใจแม้กระทั่งบาปบุญคุณโทษไม่สนใจแม้กระทั่งพบหน้าหรือว่าโอกาสใหม่ในพบหน้าชีวิตหน้าแล้วเนี่ย อันนั้นเือนอันตรายเพราะเนี่เราเราจะต้องมองให้เห็นถึงถึงข้อดีและที่เราเรียกว่าคุณและข้อเสียที่เราเรียกว่าโทษของวัตถุนะรวมทั้งเห็นข้อจํากัดของมันด้วยออันนี้จะมาพูดไปรวมถึงความสะดวกสบายด้วยนะฮะความสะดวกสบายที่เกิดจากวัตถุ คนเวลานี้ไม่ค่อยเห็นโทษนะฮะว่าความสะดกสบายเนี่ยมันมีโทษอย่างไรบ้างเราเห็นแต่ประโยชน์ของมันเดี๋ยวนี้เนี่ยกระทรวงกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยกำลังรณรงค์ให้คนออกกาลังกายเพราะว่าพบว่าทุกวันนี้เนี่ยคนไทย ต, ยตายเพราะโรคขี้เกียจเคยดินโรคขี้เกียจไหมฮะตายไปเพราะโรคขี้เกียจเนี่ย นาทีละชั่วโมงละเก้าคนโลกที่เกียดนั่นคือโรคที่โรคที่เกิดโรคที่ทำให้เป็นเป็นอันตรายต่อชีวิตเพราะความสดกสบายเช่นโรคโรคหัวใจนะโรคความดันโรคเบาหวานโรคอ้วนนะ อันนี้เขาเรียกโรคขี้เกียจคือว่าสบายเงี้ยไม่เอาแต่กินเอาแต่กินแล้วก็ไปไหนก็ไม่ต้องเดินนะขับรถมีเครื่องอำนวยความสะดทุกอย่างไม่ต้องใช้แรงนะมีสิ่งเสพสิ่งบริโภคมากมายกินเนื้อนมไข่กินน้ําตาลเยอะแยะนะทำให้เป็นโรคอ้วนทำให้เป็นเบาหวานทาให้เป็นโรคหัวใจทำให้เป็นโรคความดันแล้วก็มันเ็งด้วยนี่คือโทษของความสะดวกสบาย ซึ่งคนคนทุกวันนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจนะแต่นี่เป็นโทษทางทางทา ง, ทางกายภาพนะฮะโทษทางจิตใจอาตมาก็ได้พูดไว้ไว้พอสมควรแล้วนะฮะว่ามันมันทำให้เราเนี่ยทำให้เราดิ้นรนแสบสายทำให้เราไม่รู้จักพอสักทีแล้วมันยังทำลายความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นด้วย ตัวอย่างง่ายๆดูได้อย่างง่ายๆเด็กสมัยนี้เนี่ยนะวันวันหนึ่งนี่เขาใช้เวลากับอะไรฮะนะโทรศัพท์มือถือโทรทัศน์แล้วก็เกมออนไลน์หรือคอมพิวเตอร์นะเขามีการทาวิจัยว่าเด็กกรุงเทพเนี่ยใช้เวลากับสามสิ่งนี้เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยห้าถึงเจ็ดชั่วโมง อันนี้หมายถึงวันธรรมดานะฮะห้งจชั่วโมงไม่ต้องไม่ต้องนับเวลาที่อยู่บนรถเมย์น ะ, ะรถติดแล้วก็เวลาที่อยู่ในโรงเรียนและถามว่าเขามีเวลาได้อยู่กับพ่อแม่ไหมฮะผู้ใหญ่ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะบางทีพ่อแม่แยกกันอยู่กันคนละห้องเพราะว่าดูโทรทัศน์คนละช่อง หรือพ่อบางทีก็อยู่กับคอมพิวเตอร์เล่นเกมออนไลน์ติดต่อติดอินเทอร์เน็ตไอความสะดวกสบายทางวัตถุนี่มันต้งสังเกตนะมันเริ่มทําให้ความสัมพันธ์ของผู้คนแยกห่างจากกันอันนี้ไม่ใช่ว่ามันมันมันมันไม่ดีเพียงแต่เราเราต้องมอยเห็นถึงถึงถึงถึงโทษของมันด้วยซึ่งคนปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยได้คิดเรื่องนี้เท่าไหร่ว่าความสะดวกสบายนั้นเนี่ยมันมีราคาที่ต้องจ่าย นถ้าเรารู้ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มรูม้เริ่มต้องคิดแล้วเอ้มันต้องรู้จักพอนะแค่ไหนถึงจะพอนะสิ่งที่ในหลวงเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงคลื่อนนี้่ก็คือว่าการที่เรารู้จักใช้จ่ายแล้วก็เสพแต่พอดีมันไม่ได้หมายถึงการพออยู่พอกินนะฮะเพราะการพออยู่พอกินนี่มันหมายถึงความรู้สึกที่ปริมปริม ปริมแบบไม่ถึงกับไม่ไม่ถึงกั บ, ไ ม, ไ, มกบไม่ถึงกับยากจนแต่ก็ไม่ถึงกับมีมากนะต้องเป็นกิพานที่ว่าการอยู่พอดีกินพอดีมีมากก็จริงแต่อยู่พอดีกินพอดีนะแล้วก็ไม่ได้ดิ้นรนเพื่อแสวงหามาให้แก่ตัวเองแต่ว่า อาจจะขยันเพื่อที่จะเอาสิ่งที่มีนั้นเนี่ยไปช่วยเหลือสังคมเศรษฐกิจพอเพียงแม่หมายความว่าต้องการห้าร้อยก็หามาแค่ห้าร้อยห้าสิบแล้วก็หยุดอันนั้นไม่ใช่นะอันนั้นไม่ใช่สิ่งอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่คำว่าสัมโดดอย่างที่ที่เราเข้าใจด้วยเศรษฐกิจพอเพียงหีืช่วยพอเพียงหมายความว่าเราใช้น้อย หาที่คนนื่ก็ใช้ห้าพันหกพันแต่ว่าเราซื้อว่าพันเดียวก็พอแล้วแต่ก็ไม่ไ้หมายความว่าเราจะหาแค่พันเดียวหรือสองพันเราอาจจะหามากกว่า น, นั้นแต่ว่าที่หามาได้มากเนี่ยเรามาใช้เพื่อเพื่อดูแลตนเองเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวเนี่ยเท่าที่เท่าที่จะเท่าที่อพอดีที่เหลือนี่ก็ไปช่วยเหลือผู้อื่นไอความรู้จักพอดีเนี่ยนะ มันหมายถึงความรู้จักพอใจในสิ่งที่เรามีอย่างเจตบอามอกไว้แล้วนะว่าทุกวันนี้เราไม่ค่อยพอใจเราไม่ค่อยมีความสุขกับสิ่งที่เรามีเท่าไหร่เราเอาความสุขไปฝากไว้กับของใหม่ๆที่จะได้เข้ามาเราไม่มีความสุขจากจากการมีแต่เรามีความสุขจากการไดไม้มีกับได้ที่มันต่างกันนะฮะเร า, าคิดว่าเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองสช่ไหมว่า แทนที่จะคอยแสวงหาหรืออยากได้อะไรใหม่ๆอยู่เสมอทำงานเราถึงจะพอใจในสิ่งที่เรามีนะโดยที่ไม่คานึงว่าคนอนื่นจะได้มากกว่าเราหรือเปล่านะใครเขาจะขึ้นได้บโบนัสสามหมื่นสี่มืนสามเดือนสี่เดือนอันนั้นก็ไม่เป็นไรนะการที่ฉันได้บโบนัส นะสองเดือนนะหรือว่าได้เลื่อนขั้นนะมาหนึ่งขั้นมันก็ดีแล้วนะคือถ้าเราเริ่มรู้จักพอใจในสิ่งที่เรามีรวมทั้งพอใจถ้าเกิดเราได้สิ่งใหม่มาโดยที่ไม่คำนึงว่าสิ่งที่เราได้มาใหม่นั้นมันจะมากหรือน้อยกว่าคนอื่นความรู้จัก พอใจหรือพอเพียงตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญมากและต่อมาคิดว่าสิ่งสําคัญอันหนึ่งที่เราต้องต้องเผื่อใจไว้ก็คือว่าเผื่อใจว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะอยู่กับเรามันอาจจะอยู่กับเราไม่ได้นานวัตถุเงินทองนะแม้กระทั่งเกียรติยศชื่อเสียงเนี่ย ในทางพุทธศาสนาเราเรียกว่าโล ก, กธรรมโล ก, กธรรมเนี่ยมันมีขึ้นมีลงเมื่อได้มาแล้วก็มีเสียไปนะสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่นอนิจจังถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยเมื่อมันมีความ ผ, ลผลันผวนเปลี่ยนแปลงเราก็ไม่ทุกข์ใช่ไหม แต่เวลานี้คนเราเนี่ยไม่สามารถจะทำใจกับสิ่งเหล่านี้ได้เพราะไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อนมีมีนักธุรกิจหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยแกซื้อโทรศัพท์มือถือมารุ่นใหม่เลยสองหมืกว่าบาทแล้วก็เกิดหายไปก็ก็เสียดายนะเพินข้างบ้านเนี่ยเป็นวัดมีหลวงพ่อซึ่งเป็นเกจิอาจารย์นะก็เลยหวังไปพึ่งบารมีหลวงพ่อ ให้ช่วยนั่งทางในหน่อยมาช่วยชี้ทิศว่าจะจะได้คืนไม่หรือจะไปหาไปเอาไปหาจากที่ไหนก็ไปกราบหลวงพ่อหลวงพ่อถ้าไม่ถามเลยนะว่าโทรทัศน์โทรศัพท์ยี่ห้ออะไรหรือว่าหายที่ไหนหลวงพ่อถามว่ามีทองไหมหนุ่มคนนั้นก็บอกมี หลวงพอก็บอกาเนี่ยอีกไม่นานก็หายมีรถไหมหนู่มนักเรามีนะอีกไม่นานก็หายมีแซนไหมมีครับอีกไม่นานก็ไปพอหลวงพ่อถามอย่างเงี้ยแกก็เลยกราบหลวงพ่อแล้วก็แล้วก็เดินออกจากว้านไปเลย คือไม่ใช่ว่าแกกลัวว่าจะถูกแช่งมากกว่า น, นี้นะแต่แกเริ่มแกแกได้สติขึ้นมาว่าไอความสูญเสียพัดพรา่า เ, เป็นเรื่องธรรมดาวันนี้โทรศัพท์หายพรุ่งนี้รถก็อาจจะมีอันเป็นไปหลวงพ่อไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่เตือนสติถามให้เขาได้คิดว่า ความสูญเสียพลาดพลาดเรื่องธรรมดาและชายหนุ่มนั้นก็ได้คิดขึ้นมาว่าเออไอเสียโทรศัพท์มือถือนะี่ยังจังถือว่าเล็กน้อยนะเพราะว่าวันพรุ่งนี้วันหน้าอาจจะเสียมากกว่า น, นั้นทำใจได้นะก็เลยปล่อยวางกับโทรศัพท์อันนี้คือความจริงนะคือความจริงของชีวิตซึ่งเราต้องต้อ ง, ต, องต้องเตรียมใจต้องเตรียมใจระ ล, ลึกไว้อยู่เสมอ เราจะได้ไม่ทุกข์กับมันคนทุกวันนี้เนี่ยเราเราเราคิดว่าเราไปหลงคิดหลงเชื่อว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันจะอยู่กับเราได้อย่างยั่ ง, งยืนยาวนานนะแต่ในความเป็นจริงแล้วนี่มันมันเป็นของชั่วคราวเท่านั้นเองนะมันเป็นของชั่วคราวพราะถึงเวลาตายไปแล้วเราก็เอาไปไม่ได้ใช่ไหมฮะแม้กระทั่งเงินเงินบาทที่ ที่ใส่ปากเราเมื่อเรานอนอยู่บนลงแล้วเนี่ยนอนอยู่ในลงแล้วเนี่ยเราก็ออกไปไม่ได้เลยแม้กระทั่งเหรียญเหรียญบาทเหรียญ น, นั้นนะสิ่งที่จะช่วยเราได้เนี่ยมีอย่างเดียวก็คือบุญกุศลนะแล้วก็สิ่งที่จะทำให้เราแย่ลงในยามนันก็คือบาปนะบาปและบุญเนี่แหละคือ สิ่งที่มีความสำคัญเมื่อเราละจากโลกนี้ไปของที่เรามีสิ่งที่เรามีเนี่ยต้องถือว่าเราเป็นเพียงแค่ผู้ดูแลหรือหยิบยืนมาชั่วคราวถึงเวลาเราก็ต้องต้องจ่ายต้องคืนเข้าไปมีโฆษณานาฬิกายี่ห้อหนึ่งซึ่งแพงมากนะชื่อฟิลิปปาเต็ก หลายท่านคงรู้จักนะอาตมาไม่เคยไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเห็นนาฬิกานี่แต่ทราบว่าแพงเขาจะโฆษณานะมีพ่อกับลูกเขาก็บอกว่าเนี่ยคุณไม่ได้เป็นเจ้าของนาฬิกายี่ห้อนี้นะคุณเป็นเพียงแต่ผูด้ดูแลเพื่อให้ลูก ได้ได้ได้ใช้ต่อไปนี่เขพูดเป็นภาษาอังกฤษนะั่นแต่มาแปลแบบแปลแบบกระท่อนกระแทกแบบนั้นคือก็ต้องเขาต้องการโฆษณาว่าไอนาฬิกานี้เนี่ยยีห่ห้อนี้มันมันมันอา่ามันทนมากจกนกรทั่งเนี่ยสามารถที่จะเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้มาคิดคิดดูจริงจริงมันไม่ใช่แค่นาฬิกาเ ท, ท่านั้นนะที่ไม่ใช่นาฬิกายีห่ห้อนี้เท่านั้นนะที่เราเนี่ยสมมุติเรามีนะฮะไม่ใช่เราเท่านั้นที่เป็นเจ้า ที่ไม่ใช่เจ้าของนะสิ่งทั้งหลายปวงเราก็ไม่ใช่เจ้าของพอถึงเวลาเราก็เอาไปไม่ได้นะเราเราเพียงแต่ดูแลและเมื่อเราหมดลมเราก็ส่งต่อให้แก่คนอื่นต่อไปอาจจะเป็นลูกหลานสามีภรรยาหรือว่าประเทศชาติก็ได้ คือถ้าเราทำใจยึดเสมอเนี่ยแต่มาคิดว่าวัตถุเงินทองทรัพสมบัติเนี่ยมันจะมันจะเป็นนายของเราน้อยลงนะมันจะขี่คอควบคุมกำหนดชีวิตเราได้น้อยลงมันจะล่อลอกให้เราทำทำบาปหรือทำสิ่งไม่ดีไม่งามเนี่ย ได้น้อยลงแต่มันจะกลายเป็นเครื่องมือเพื่อให้เราได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อชีวิตของเราและต่อผู้อื่นได้นะอาตอมาคิดว่าอันเนี้ย เ, เ, เป็นเรื่องสำคัญนะฮคราว น, นี้มาสู่ประเด็นที่สองนะฮะมาใช้เวลายเยอะนะฮะกับการพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรากับวัตถุ เพราะในยุคปัจจุบันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เขาเรียกเป็นยุคบริโภคนิยมเนี่ยวัตถุนี่มันมีอิทธิพลต่อชีวิตของเรามากถ้าเราไม่ทําความเข้าใจกับวัตถุดมทั้งเงินทองทรัพย์สมบัติแล้วนี่มันก็เราก็จะตกอยู่ภายใต้มนต์อำนาจของมันมันจะไม่ใช่เป็นของเรานะฮะแต่เราจะกลายเป็นของมันนะมันไม่ใช่ของเราแต่เราจะกลายเป็นของมันนะถ้าเราทําใจถ้าเราไม่มีถ้าเรามองไม่เป็นเนี่ย รถหรือเงินเนี่ยจะไม่ใช่ของเรานะแต่เราอาจจะเป็นของมันคือเราต้องยอมเหนื่อยยากเพื่อมันบางทีเราตายเพื่อมันมีคนมาป้นมาจี้เราไม่คิดชีวิตแล้วเราก็ต้องขัดขืนเพราะกลัวว่าเขาจะเอาเงินเราไปกลัวเขาจะเอารถเราไปรักรถมากกว่ารักชีวิตรักเงินมากกว่าลักชีวิตอันนี้แหละที่เราบอกว่าเนี่ยเราเราไม่ใช่เป็นของมันไม่ใช่เป็นของเราเราเป็นของมันนะเราต้องตายเพื่อมัน แล้วคนเวลานี้ตายตายเพื่อมันเนี่ยเยอะมากมันเนี่ที่ห ม, มายถึงวัตถุนะฮะไม่ใช่โปรเตโต้นะฮะอ่าวันนี้ตำไมที่ว่าประเด็นนี้เนี่ยอยากจะทำอยากจะทำเขา้าใจประเด็นสองเนี่ยเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นนะความสุขความทุกข์ของเราเวลานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นมากนะเช่นความสัมพันธ์ในครอบครัว ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานนะคนจำนวนไม่น้อยเลยเนี่ยมีความทุกข์เพราะไม่สามารถจัดความสัมพันธ์ของตัวเองเนี่ยกับกับคนในครอบครัวได้กับพ่อแม่กับสามีภรรยาได้หรือว่ากับเพื่อนร่วมงานหลายคนมักจะมาปรึกษาตามาเรื่องมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมีปัญหากับเจ้านาย แต่ไมืคม่ค่อยมีใครมาปรึกษาแล้วมีปัญหากับลูกน้องนะครเพราะว่าเราคิดว่าการมีใครมีใครที่มีปัญหากับลูกน้องก็คิดว่าใช้อํานาจจัดการก็คงจะได้แต่ที่จริงมันไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นนะเราจะสัมพันธ์กับผู้คนอย่างไรนะอันนี้เป็นเป็นคําถามใหญ่ในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะความสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ย มันต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่พระเจ้าเรียกว่าทานทานคือการให้ทานเนี่ยเป็นการทําบุญข้อแรกในพุทธศาสนานะทานแล้วก็ศีลและภาวนาศาสนาพูทเนี่ยในเรื่องการให้ทานเป็นเรื่องแรกนะไม่ใช่ให้ทานกับพระนั้นแต่ให้ทานกับผู้อื่นให้ทานกับผู้คนทั่วไปอาจารย์พุทธทาสนะเมื่อท่านเป็นเด็ก ไปเฝ้านาเนี่ยแม่ก็จะให้คาถากันขโมยนะคาถากันขโมยนี่สั้นๆนะนกกินก็เป็นบุญคนกินก็เป็นทานคือนกจะมากินข้าวก็ถือว่าเป็นบุญไปใครใครจะมาเอาข้าวไปก็ถือเป็นทานไปนกกินเป็นบุญคนกินเป็นทานคือการทํานาของชาวบ้านสมัยก่อนโดยเฉพาะในภาคใต้ ก็ถือเป็นการทำบุญไปในตัวทานเนี่ยหรือบุญเนี่ยเราไม่ได้ทำกับพระแต่เราทำกับนกเราทำกับใครต่อใครก็ได้เพราะว่าทานนี่เราจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างเรากับผู้อื่นให้เกิดสมรรถภาพที่ดีงามทานคือการให้มนุษย์เรามีน้นมที่จะเอาเข้าตัวเอาเข้าตัวได้มากมากแต่มนุษย์เรานี่ไม่สามารถจะอยู่ได้ตราบใดที่ทุกคนนี่เอาเข้าตัว เด็กไม่สามารถจะอยู่ได้ถ้าไม่มีความเอื้อเฟื้อของพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือว่าพี่ป้าน้าอาเราทุกคนนี้โตขึ้นมาเป็นผู้เป็นคนได้เพราะทานที่ได้จากผู้อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่เรามีความสามารถแล้วก็เผื่อแผ่ให้แก่ผู้อื่นต่อไปสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาของคนในยุคนี้ ก็เพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาในคิดแต่จะเอาเข้าตัวโดยเพราะเอาจากผู้อื่นคําถามหนึ่งที่อาจารย์ประเวศศรีบอกว่าเป็นคําถามซึ่งน่าเกลียดที่สุดคําถามหนึ่งในเวลานี้คือคําถามที่ว่าทําแล้วฉันจะได้อะไรคนเวลานี้เนี่ยจะทําอะไรนี่ต้องคิดก่อนต้องถามว่าทําแล้วฉันจะได้อะไรได้อะไรในที่นี้หมาถึงเงินทองหรือว่าอาจจะชื่อเสียงหรือว่า หน้าตาแต่ผู้พศาสนาบอกว่าเนี่ยคิดแบบนี้เนี่ยมันไปไม่รอดคิดแบบนี้มันจะทําให้เราเกิดช่องว่างกับผู้อื่นมากขึ้นเราจะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวและเราจะเห็นทุกคนคนรอบตัวเราเนี่ยเป็นศัตรูหรือเป็นผู้ที่เราต้องคอยเอาเปรียบสมรรถภาพจะดีได้ก็ต่อเมื่อเราเริ่มจากการให้ทานการให้การเอื้อเฟือ้อ และการให้ทานเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีผลไปที่ไหนเนี่ย ม, มีผลกลับมาที่เราอัตมาจัดจัดทำโครงการที่เราจิตอาสาจิตอาสาคือการระดมนักเรียนนักศึกษาข้าราชการคนทำงานในบริษาัททางร้านเนี่ยมาเป็นอาสาสมัครไปทำงานต่างที่ต่างๆเช่นปลูกปา่าดูแลหมาจรจัด ไปสร้างบ้านดินกุฏิดินไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิรวมทั้งไปช่วยเหลือไปนวดเด็กที่สถานสงเคราะห์ปากเกรด็ดเด็กพู้เราที่ถูกทอดทิ้งแม่คลอดลูกไปแล้วก็ทิ้งหรือไม่ก็เอามามอบให้สถานสงเคราะห์เลี้ยงไม่ภายหลังเพราะว่าเลี้ยงตัวเองนี่เลี้ยงไม่ไหวมีหลายคนเนี่ยนะเล่าว่าตอนทีจ่จะไปนวดเด็กเนี่ย ก็คิดว่าเราจะไปให้เขาแต่ปรากว่าไปประมาณเนี่ยเขากลับให้เรามีคนนึงเนี่ยก็เป็นไมเกรนไมเกรนต้องกินยาไปประจําหลายปีติดต่อกันแล้วแกก็ไปโนดเด็กเราไปโนดทุกๆุกทุกทุ ก, ท, ก, ท, กทุกอาทิตย์นะฮะไปโนดทุกอาทิตย์ไปเป็นประจํานี่ปีที่แล้วรปรากว่า แกคนเนี้ยแกนวดไปนวดไปแ ก, ปแกลืมลืมกินยาไปเลยเพราะว่าไม่ปวดละหรืออาจจะปวดก็ได้แต่แกไม่รู้สึกแล้ะบอกเป็นครั้งแรกที่ไม่ได้กินยานะเพราะมีความสุขมีความสุขจากการนวดเด็กมีความสุขจากการให้มีความสุขจากการเอื้อเฟื้อถ้าพูดอย่างวิทยาศาสตร์คือว่าเมื่อเราคนเราไปช่วยเหลือผู้อื่นแล้วเนี่ยเกิดความปิติอิ่มเ อ, อิบ เอนโดฟินเอนโดฟินนี่คือมอร์ฟีนที่เกิดขึ้นในร่างกายมันก็หลั่งออกมาแล้วทำให้จิตใจเราชื่นบานไอ้ไมเกรนที่เกิดขึ้นก็หายไปนะและการให้ทานเนี่ยการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขด้วยแล้วมันเป็นการช่วยสร้างสมรรถภาพที่ดีงามคนเรานี่พอมีสมรสมรถภาพที่ดีงามไม่มีความสุขหลายคนเนี่ยพอได้นวดเด็กแล้วเนี่ยเด็กที่แรกก็เด็กเขาขัดขืนนะฮะ เด็กเหล่านี้นางสารเพราะว่าไม่มีใครอุ้มเลยเพราะว่าพี่เลี้ยงเนี่ยมีน้อยไม่มีกําลังที่จะไปอุ้มเด็กก็นอนเดินไม่เป็นแล้วก็คอยขัดขืนใครมานวดก็น่าบึ้งนวดไปนวดไปเด็กยิ้มฮะเด็กยิ้มแล้วแล้วก็พอทำงี้บ่อ ย, ยเนี่ยทําทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เนี่ยพอเด็กแค่เห็นหน้าคนนวดซึ่งมาเป็นประจําเด็กก็ยิ้มเอง ยืมได้เนี่ยคือคนเราเนี่ยถ้ารอบตัวเราเนี่ยมีแต่คนที่มีสมรรถภาพที่ดีกับเราเราก็มีความสุขนะความเครียดจะน้อยลงนะโดยทีออ่อาจจะไม่รู้ตัวเลยทุกวันนี้เนี่ยที่เราเครียดเนี่ยจะเปเพราะว่าเรามีความทุกข์มีคนหนึ่งเนี่ยพอพอถึงวันเป็นผู้หญิงเนี่ยพอถึงวันอทิตย์เนี่ยแกจะมีอาการขึ้นมาเลย อามณการเกรงมีอาการปวดหัวนะหายใจไม่ค่อยสะดวกซึ่งไม่รู้ว่เป็นเพราะอะไรแล้วก็มีคราหนึ่งเนี่ยเป็นช่วงประมาณเดือนพฤษภาเปิดเทอมเนี่ยใกล้จะเปิดเทอมแล้วก็พาลูกเนี่ยไปวันวันนั้นเป็นมาอาทิตย์ก็พาลูกไปไปไปซื้อไปซื้อพวกอุปกรณ์การเรียนให้ลูกนะก็มีความสุขนะเออลูกจะไปเรียนหนังสือแล้วนะ แต่พอนึกว่าพรุ่งนี้จะไปทํางานแค่นั้นแหละอาการนี่ขึ้นเลยแกก็เลยรู้อะไรเงี้ว่าไอ้ที่แกมีอาการอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นอาการทางกายพอไปหาทีไร ห, หมอไปหาหมอทีไร ห, หมอตัวจไม่พบแกพบว่าเป็นเพราะแกเครียดกับเจ้านายคือแกเป็นเลขานุร ก, การเจ้านายเป็นคนที่เครียดมาเป็นคนที่ดุมากนะเวลานั้น นึกว่าจะต้องไปทำงานแล้วไปเจอเจ้านายเนี่ยโดยอัตโนมัติโดยโดยจิตไร้สำนึกนี่มันเครียดขึ้นมาทันทีเลยนะก็เลยต้องไปให้หมอเนี่ยเขาช่วยบำบัดนะให้ผ่อนคลายนะให้ปล่อยวางนะคนเราเวลานี้เนี่ยเจ็บป่วยด้วยสาเหตุทางจิตใจนี่เยอะมากนะมีบางคนเนี่ยเป็น ปวดหัวไปปวดหัวเรื้อรังนะความดันสูงปวดท้องด้วยไปหาหมอเท่าไหร่หมอก็ไม่พบไม่พบสาเหตุว่า เ, เกิดจากอะไรร่างกายปกติหมดนะเป็นอย่างนี้บ่อยๆเข้าหมอก็เลยเอกใจหมอก็เลยถามว่าไหนคุณช่วยเล่าประวัติคุณหน่อยซิเขาก็เล่าประวัติไปตั้งแต่เล็กเลยแล้วหมอก็เอกใจว่าเอ๊ะ เขาพูดถึงพี่สาวพี่เขาเวลาพูดถึงพี่สาวเนี่ยเขาเขามีอารมณ์มากเลยพอเขารูลือดเขาพอเขาสวดพี่สาวที่ทอดทิ้งเขาให้เขาต้องต่อสู้กับชีวิตตามลาพังแม่ก็ไม่มีพี่สาวก็ไม่ได้ดูแลเขาก็เลยเวลาพูดถึงพี่พสาวเนี่ยเขาก็เกิดความรู้สึกทั้งน้อยนึอต่าใจทั้งโกรธนะหมอบอกว่าไม่มียายที่ช่วยคุณได้หรอกยกเว้นอย่างเดียวคือว่าคุณ ควรจะให้อภัยพี่สาวคนซะเขาก็ไม่เชื่อนะะอะไรนะเขาก็หายไปเลยหลายปีสองปีต่อมาเนี่ย <c oughs> เขาเขียนจดหมายมาหาหมอคนนี้บอกว่าเดี๋ยวนี้เขาอาการดีขึ้นแล้วปกติแล้วพอเขาทาตามเขาทาตามที่หมอบอกก็คือให้อภัยพี่สาวคือเวลานี้เนี่ยสัมปันธภาพของเรากับผู้อื่นเนี่ยมันเป็นตัว เป็นปัจจัยชี้ขัดนึงที่ทําให้คนเราเนี่ยสุขหรือทุกข์ได้ซึ่งบางทีเราไม่รู้ตัวด้วยว่าเราทุกข์เพราะอะไรอย่างเช่นกรณีนี้เนี่ยสองกรณีที่ว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องความความความเจ็บป่วยทางกายซึ่งเกี่ยวข้องกับสมรรถภาพกับผู้อื่นเราคิดว่าตรงเนี้ธรรมะของของพุทธเจ้านี่ช่วยได้หรือธรรมะของทุกศาสนาที่ช่วยได้คือการให้ทานความเอื้อเฟื้อ รวมทั้งอภัยทานการให้อภัยนะและขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักฝึกใจเอาไว้รับมือกับกับคำวิพากษ์วิจารณ์หรือสิ่งที่มันไม่เป็นไปตามใจเราการกระทำของผู้อื่นที่ไม่เป็นไปตามใจเรา ควาวิพากษ์วิจารเนี่ยตอนนี้ก็เป็นปัญหาของคนจํานวนมากเราจะมาเชื่อ ป, ปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าเราเราไม่เราไม่รู้จักวิธีรับมือกับคําวิพากษ์วิจารณ์หรือคําตำหนิติชินหรือคําลินทานะแล้วเราก็เลยขาดทุนคือเป็นทุกข์คำวิจารเนี่ยนะถ้าเราถ้าเราถ้าเราเวลาเราฟังแล้วเนี่ยได้ยินแล้วเนี่ย ถ้าเรารู้สึกขึ้นมาในใจว่าเขาว่ากูเขาว่ากูเขาว่ากู เ, กเนี่ยมันทุกข์นะแต่ถ้าเกิดว่าเรามองหรือเราคิดเส้นใหม่ว่าสิ่งที่เขาพูดมานั้นเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะลองถามตัวเองว่าสิ่งที่เขาพูดมานั้นจริงไหมบางทีเราจะพบว่าสิ่งที่เขาพูดมานั้นก็อาจจะมีความจริงอยู่บ้างซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับเรา มันอาจจะเป็นคําวิจารณ์อาจจะเป็นขยะสักเก้าสิบ้าเปซ็นแต่อาจจะมีสักห้าซที่เป็นประโยชน์ที่เราจะเอามาใช้ประโยชน์ได้ในการที่ปรับปรุงตัวเราหรือเอามาใช้เป็นเครื่องเป็นกระจกสะท้อนตัวเราว่าเรามีความผิดความพลาดความบกพร่องอย่างไรบ้างแต่ถ้าเราคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเขาว่ากูเขาว่ากูเนี่ยเราจะทุกข์นะเพราะว่ามันมีตัวกูเป็นตัวกูไปรับตัวกูไปรับเอาคาําด่า นะแต่เราใช้ใช้ปัญญามารับมือกับคำพิพากษาเนี่ยด้วยการถามว่าสิ่งที่เขาพูดมาจริงไหมทำไมเขาถึงพูดเช่นนั้นบางทีเร า, า จ, จะเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาที่เขาทำตัวอย่างนั้นเพราะเขาอาจจะไม่รู้เพราะเขาอาจจะไม่เข้าใจนะ เขอาจจะเขาอาจจะไม่สบายใจหรือก็อาจจะอารมณ์เสียเข้าถึงหน้าบึ้งเขาไม่ทักทายเรามันมีเหตุผลร้อยแปดที่ทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่ไม่ถูกใจเราแต่ถ้าเราเอาตัวตนของเราเนี่ยเข้าไปรับเนี่ยอัตราตัวตนเนี่ยมันทุกข์นะ แต่ถ้าเราพยายามใช้ปัญญาพิจารณาว่าทําไมเป็นอย่างนั้นเนี่ยเร า, า จ, จะพบว่าโอ้ที่เขาหน้าบึ้งเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้เกลียดเราหรอกแต่ว่าเขากําลังมีปัญหามีเรื่องกุ้มใจอยู่ที่บ้านพ่อเขากำลังป่วยแม่เขากําลังจะอรักษาตัวในโรงพยาบาลบางทีเราต้องมองเข้าไปสาวเข้าไปให้ถึงปัญหาเหล่านี้ด้วย นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะพอใครมีปฏิกิริยาอะไรกับเรามาในทางลบเราก็ตอบโต้ไปทันทีในทางลบโดยโดยเพราะความไม่ถูกใจนะแต่ถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาสาหาสาเหตุบางทีเราจะได้เห็นทางออกทางแก้ บางทีเราไม่ต้องทำอะไรเพียงแค่ถามนะฮะแค่ซักถามมาเกิดอะไรขึ้นแทนที่จะมีปฏิกิริยาตอบโต้ไปทันทีเนี่ยมันอาจจะเห็นอาจจะพบคำตอบที่น่าสนใจก็ได้ที่ทำให้เราเข้าใจเขาที่เว้ น, น้ำเนี่ยมันมีมันมีเรื่องเรื่องหนึ่งนะฮะเป็นเรื่องของสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งแต่งงานซึ่งยังเพิ่งแต่งงานกันใหม่เสร็จแล้วก็อยู่กันได้สามเดือน ก็ถูกเกณฑ์ไปลบถูกเกณฑไปลบก็หายไปเลยนะผู้ชายหายไปเลยเป็นสามปีสีป่ปีนะไม่ส่งข่าวมาเลยแล้ววันหนึ่งผู้ชายก็กลับมากลับมาก ล, บกลับมาที่บ้านโดยไม่บอกกล่าวภรรยายเห็นก็ดีใจเข้าไปสวมกอด น, นะแล้วก็ สามีก็บอกว่าเนี่ยรอดชีวิตมาได้นี่ก็ต้องไปต้องไปเส้นว่าบรรพบุรุษหน่อยเพื่อตอบแทนก็ให้ภรรยานี่ไปซื้อเครื่องเส้นมาแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านตัวเองก็เดินเข้าไปในบ้านก็เห็นเด็กเห็นเด็กก็สามขวบก็รู้แลว้วเนี่ยเป็นลูกของตัวแต่เด็กก็ทำท่าแปลกใจตัวผู้ชายก็เลยบอกว่าพ่อไงหนู พ่อเนี่เป็นลพ่อเรียกเรียกพ่อสิแต่เดี๋ยวก็บอกว่าคุณลุงไม่ใช่พ่อหนูลุงไม่ใช่พ่อหนูพ่อหนูมาที่บ้านทุกคืนเวลาแม่นั่งพ่อก็นั่งเวลาแม่พูดพ่อก็พูดเวลาแม่แม่นอนพ่อก็นอนด้วยพ่อฟังนี่เขานี่เป็นยังไงโกรธเลย เนะมียเราทําสงสัยจะไม่ซื่อแล้วไม่ใช่สงสัยอะคือไม่ซื่อจริงๆเลยพอพ อ, พอพอพอภรายาเอาเครื่องเส้นมาแกก็กราวว่บาบัณพบุรุษกราวว่บาบัณพบุรุษเสร็จก็เก็บเสือแล้วก็เดินออกไปเลยนะไม่ยอมให้ภรรยานี้เส้นว่บาบัณฑพบุรุษด้วยเดินไปก็เข้าไปในครอเข้าไปในหมู่บ้าน แล้ก็หายไปอยู่ในอยู่แต่ในกินเหล้านะกินเหล้าแต่กินเหล้าไม่กลับบ้านเมียไปเมียไปเรียกก็ไม่สนใจไม่พูดคุยด้วยเป็นอี่สามวันนะตัวภรรยานี่ก็รู้สึกตอมตรมและทมใจมากนะรู้สึกว่าถูกรู้สึกว่าหัวใจจะแตกสลายแล้วนะก็เลยไปที่สะพานแล้วก็โดดลงโดดลงโดดจากลงสะพาน จมน้ำตายก็สุ้าต้องทำพิธีศพนะกู้ศพมาได้ก็ทำพิธีศพนะพอทำพิธีศพตามศาสนาสามีก็พาลูกพาลูกพาลูกพ า, พาเด็กกลับบ้านตอนนั้นก็เย็นแล้วเย็นแล้วก็จุดตะเกียง พอจุดตะเกียงเสร็จเนี่ยมันก็มีเงาของตัวเองเนี่ยไปประกดอยู่ที่ข้างฝาเด็กก็ชี้ไปที่เงานั่นไงพ่อนั่นไงพ่อเด็กชี้ไปที่เงาของของผู้ชายคนนั้นอะผู้ชายคนนั้นก็นึกขึ้นมาได้ทันทีเลยไอ้ไอพ่อที่ที่เด็กพูดเนี่ยมันไม่ใช่ใครเลยมันคือเงาเพราะความเป็นจริงคือว่าทุกคืนเนี่ย แม่นี่ก็จะตอนที่ตอนที่พ่อไปไปสงครามนี่แม่ก็จะแม่ก็จะเอ่อก็จะร้องห่มร้องไห้คิดถึงคิดถึงสามีนะลูกก็ถามว่าแม่ทำอะไรแม่ก็บอกว่าแม่กำลังคุยกับพ่อแล้วพ่ออยู่ไหนแม่เด็กถามแม่ก็ชี้ให้เด็กเนี่ยดูเงาของตัวเองที่กำแพงยังไงพ่อ เด็กก็ภาษาซื่อนะก็เลยไปคิดว่าเออนั่นเนี่ยคือพ่อของตัวนะสรุปก็คือว่าภรรยาก็ไม่ได้นอกใจอะไรนะแต่ว่าสามีนั้นเนี่ยไปสรุปไปเชื่อไปเชื่อไปสรุปออกจากคำพูดของลูกแล้วก็ไปสรุปอย่างผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงแล้วก็เลยทำร้ายจิตใจของภรรยา ทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะไม่เป็นปัญหาถ้าเกิดว่าสามีเนี่ยถามภรรยาว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกคนเนี่ยเราเราคนเรามีแนวโน้มที่จะเชื่อในสิ่งที่เราเราคิดและเราสรุปขึ้นมาเองซึ่งอันนี้ก็ตรงตามหลักกรารมสัสนะพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยอย่าเชื่ออย่าเชื่อเพียงเพราะว่า ม, มันมันมีอมันมันสอดคล้องกับตรร ก, กะ หรือมันมีอาการน่าเชื่อถือเนี yeah. ่ยอย่าเชื่อเพียงเพราะแค่นั้นจะ ต, ต้องสร้าความจริงให้มากขึ้นความสมัครคนเราเวลาเนี่ส่วนใหญ่จำนวนไม่น้อยเลยเสียไปเพราะว่าเราไปสรุปเอาโดยที่ไม่ได้สอบถามความจริง mm hmm. เพียงแค่มีอะไรมันกระทบแล้วเราไม่ถูกใจเราก็สรุปไปแล้วนะอาตมาเพื่อในความสมาครผู้อื่นเนี่ยมันจะต้องมาคิดถึงตรงนี้มากขึ้นด้วยคิดว่า จะมาพูดมาพอสมพวรตรงนี้ก่อนเพราะว่าทางพูดแต่ก็อยากจะให้เบรกนะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาพูดกันต่อสักบ่ายสามก็ได้อขอขอพัเท่านี้ก่อนนะ